เรื่องการแต่งตั้งท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระท่านพระอาจารย์หนูทิตตปั ญ, ญโยท่านพระอาจารย์เสากันตศีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นสิทธวัดไหนและสาเหตุที่พระอาจารย์หนูทิตตปั ญ, ญโยได้รับอาราธนามาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปทุมวนารามด้วยเหตุใด เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้เมตตาเล่าไว้หลายครั้งหลายคราวและหลายปีว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมและอบรมกรรมฐานระยะที่สองของพระอาจารย์ทั้งสมรูปนั้นท่านไดมาศึกษาที่กรุงเทพมหานครโดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปม า, าจารย์จันท์เิริจันโทวัดบรมนิวาสเป็นพระอาจารย์แต่ทําไมท่านพระอาจารย์ทั้งสามรูปไม่พักที่วัดบรมนิวาส แต่มาพักที่วัดปทุมวนาวรามหรือวัดสาปปฐุมปทุมวันทั้งนี้เพราะทั้งสามรูปมีความผูกพันกับวัดปทุมวนาวรามวัดปฐุมวนาวรามนี้เป็นอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สผู้ทรงเป็นต้นวงคณะธรรมยุทธ์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2400 ร้มทั้งไดส้สรงอาราธนาเจ้าอาธิการกรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นสัตว์ทวิหาริกของพระองค์สมัยที่ทรงผนวดรมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปฐุมวนาวรามส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวิปัสนาที่พระครูปทุมธรรมทาดามีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารจํานวนหนึ่งเป็นพระอนุจรมาจำพรรษาด้วย พระอารามแห่งนี้อยู่ภายนอกพระนครสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติกรรมมฐ า, านหมายเหตุในที่นี้หมายถึงในสมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นกลางเมืองไปแล้วนะครับเจ้าอาวานรูปแรกและรูปต่อๆมามีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวั ด, ดยโสธร มีเฉพาะท่านเจ้าอาวาดรูปที่หคือพระธรรมปาโมกบุญมั่นมันตาสโยเท่านั้นที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครก่อนอุปสมบทพระธรรมปาโมกท่านเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าท่านเป็นนักเรียนของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรุ่นแรก ท่านออกบวชในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจักรที่หเสด็จพระพาทยุโรป ค, ครั้งที่สองพระเดชพระคุณมีชื่อคล้ายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและท่านได้ติดตามพระอาจารย์มั่นออกธุ ด, ดงค์ที่ภาคเหนือและประเทศพมา่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารจ์นสิริจันโทวัดบ ร, รมนิวา ได้ออกไปเรียนวิปัสนาอยู่กับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระสิงห์เจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามและได้เข้ามาจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามในพุทธศักราช2439ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระสิงห์เจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารา์มรูปที่สามเมื่อก่อนพระคุณท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพระแท่นศิลาอาร จ, จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระธรรมวิโรธพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระภาต้นไปยังวัดพระแท่นศิลาอาจทรส่งพบท่านเจ้าขุนพระธรรมวิโรธสิงห์ส่งเลื่อมใสในวัดปฏิบัติเพราะพระขุนท่านเร่งครัดในพระธรรมวินยัยปฏิบัติกรรมฐานจึงทรงอาราธนา ให้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปฐุมวนารามพระท่านพระครูปฐุมธรรมธาดาสิงห์อัคคธรรมโมเจ้าอาวาสรูปที่สองมรณภาพวัดยังว่างเจ้าอาวาสทรงพระกรุณาโปรดกล้าพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวิปัสนาที่พระปัญญาพิสารเทระพร้อมทั้งพระราชทานพัดงาสาร เป็นพัดยศสมณศักดิ์พัดงาสารนี้พระราชทานเฉพาะพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดประทุมวนารามซึ่งได้รับพระราชทานมีสี่รูปคือหนึ่งพระปัญญาพิสารเทระสิงห์เจ้าอาวาดรูปที่สามพระวิสุทธิญาณเทระผิวเจ้าอาวาดรูปที่สี่ สพระปัญญาภิสารเทระหนูทิตตปัญโยเจ้าอาวาสรูปที่ห้าสพระธรรมปาโมกพระปัญญาภิสารเทระบุญมั่นมันตาสยโยเจ้าอาวาสรูปที่หกหลังจากที่ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระบุญมัน่นมันตาสยโยได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นชั้นราษในราชทินานามเดิมจึงคืนพัดยศงาสารเล่มนั้นไปที่กรมการศาสนาหลังจากนั้นมาพัดงาสารก็ไม่ได้อยู่ที่วัดประทุมวานารามอีกเลยพระอาจารย์ทั้งสามจึงถือว่าเคยอยู่สํานักวัดประทุมวานารามแม้แต่บทนิพนธ์ขันธวิมุตติสมังคีธรรมะที่ท่านพระอาจารย์มั่นเขียนขึ้นก็ยังใช้คําว่า พระภูริทัตโตมันวัด ส, สะประทุมวันเป็นผู้แต่งสมุดเล่มนี้ปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มันภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกล น, นครหมายเหตุผู้บันทึกเสียงสำหรับการลงชื่อของท่านเข้าใจว่าในตอนนั้นมีพระอีกรูปที่ชื่อมันเหมือนกับท่านท่านจึงเลี่ยงไปใช้ชื่อว่ามัน ในการแต่มหนังสือเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับท่านพระอาจารย์มั่นได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าในฤดูแล้งปีหนึ่งได้พากันจาริกไปทุ ด, ดงแถวจังหวัดนคร น, นายกวันหนึ่งเวลาว่างท่านพระอาจารย์หนูทิตตบปัญโยได้เล่าความฝันให้เพื่อนสหธรรมมิก ที่ออกทุดงด้วยกันฟังว่าท่านฝันว่าได้ลอยข้ามทุ่งกว้างมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกและลอยต่ำลงต่ำลงจนถึงพื้นดินได้มีบุรุษสี่คนแต่งตัวคล้ายมห า, หาเล็กสมัยโบราณบนศีรษะใส่กระโจมแหลมๆเหมือนคนแต่งเป็นเทวดาเวลามีขบวนแห่ขบวนใหญ่ๆได้นำเสลี่ยงเข้ามาหาแล้วยืนหนังสือพระบรมราชองค์การ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเสร็จแล้วนิมนต์ท่านขึ้นเสลียงตั้งขบวนแห่แหนท่านเข้าเฝ้าถวายพระพรท่านตื่นพอดีหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นจริงเหมือนตามฝันท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิยานเทระผิวเจ้าวาวาดวัดปฐุมวนารามรูปที่สี่มรณภาพจึงมีพระบรมราชองค์การ อาราธนาพระอาจารย์หนูทิตาปัญโยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดปรทุมวนารามรูปที่ห้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูประทุมธรรมธาดาพระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวิปัสนาแล้วได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวิปัสนาในโอกาสต่อมาโดยพระราชทานพัทยงาศาร เป็นพัทยศสมณศักท่านพระอาจารย์มั่นได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่สำคัญสำคัญในสมัยนั้นเมื่อเจ้าอาวาสว่างลงหลังจากที่เลือกสรรผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสได้แล้วต้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชจะทรงพิจารณาถ้ามีความเหมาะสมด้วยประการใดแล้ว จึงนำเข้าเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัดปฐุมวนารามก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิยาณเทระผิวมรณภาพลงสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชินวรสิริวัดวัดราชบพิษได้ถวายพระพ ร, พรสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าว่าวัดปฐุมวนารามเป็นพระอารามที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระกรร ม, มาฐาน และผู้คนที่อยู่ในบริเวณรอบวัดก็อพยพมาจากล้านช้างผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสก็มาจากพระกรร ม, มฐานและมาจากมณฑลอุบล ร, ราชธานีในครั้งนี้ก็เห็นสมควรที่จะอาราธนาพระอาจารย์หนูทิตาปัญโยซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานีมาเป็นเจ้าอาวาสประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นดีด้วย จึงได้มีพระบรมราชองค์การอาราธนาพระอาจารย์หนูมาเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ห้าดังกล่าวหมายเหตุพระปัญญาพิสารเทระหนูทิตตปัญโยเป็นสหธรรมิกที่รักและคุณเคยกันเป็นอย่างดียิ่งกับท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลท่านเป็นพระอุปชาของท่านพอลีธรรมมทรโร พระอาจารย์กงมาจิราปุญโญหลวงพ่อพุทธฐานิโย